สุขทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตดุจพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปีติปราโมทย์อันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบกลุ่มทรัพย์เมื่อคืนมาหาอะไรเปรียบไม่ได้เออบอาบซาบซ่านโดวยธรรมตนของตนเองนั่นแหละเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้ว โอวาธานุศาศนีของพระพู่มีประพ้าส่วนใหญ่เป็นไประยัางนี้ข่าวการปรงพระช น, นมายุสังขารของพระศาสดาได้แพรกระจายไปทั่วสังขมลทนประดุษปลุษ์พูดมีกำลังกระพือผ้าขาวครุ่มบริเวนเนื้อที่อ น, น้อยบัตรนี้สาวกของพระองค์ทั้งกลิหัสและบรรบาชิตรู้สึกว่าเวเล้ multiplayer และเลื่อนร้อย สาวกที่เป็นปุถุชนไม่อาจจะกลั่นอาสุธาราไว้ได้มีใบหน้าอาบได้วยน้ำตาประชุมกันเป็นกลุ่มๆรำพึงรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจะปรินิพพานเสร็จแล้วพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนสาว ก, กุปเป็นขีณาศพสิ้นอาสวะแล้วก็ไดแต่ปรงธรรมสังเวชคือความสลดใจตามแบบพระอริยะพิษุรูปหนึ่งได้นามว่า ธรรมารามคิดว่าอีกสามเดือนข้างหน้าพระตถาคตเจ้าจะปรินิพานเพราะบวชในสำนักของพระองค์แต่ยังมีอาสวะกิเลสอยู่ก็ไรหนอเราจะพึงเพียรพยายามเพื่อบรุกอรหัสตะผลในเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่คิดดังนี้แล้วท่านไม่ได้จับกลุ่มกับพิสูจน์อื่นๆมิได้เศร้าโศกปลีกตนออกไปแต่เพียงผู้เดียว พยายามทำสมถะและอีปษณัสสนาพิสุทั้งหลายอื่นเห็นพฤติการดังนี้เข้าใจว่าพิสุธรรมารามหาความรักความอะไรในพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระพุทธองค์พระเจ้าข้าพิสุทูลพิสุชื่อธรรมารามหาความรักความอะไรในพระองค์ไม่ได้เลยเมื่อทราบว่า พระองค์เจ้าพระนิพพานก็หาได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไหม่เปริกตนไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องหรือไต่ถามเรื่องราวของพระองค์เลยพระสาศาสดารับสั่งให้พระธรรมารามข้าเฝ้าตรัสถามว่าธรรมารามได้ยินว่าเธอทำอย่างที่พิสูจน์ตั้งหลายกล่าวนี่หรือพระพุทธเจ้าข้าพระธรรมารามถูกรับทำไมเธอจึงทำอย่างนั้น เธอไม่อะไรใ ย, ยดีในตถาคตรหรือพระศาสดาตรัสถามหาไม่ได้พระเจ้าข้าข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สันเสริญความเพียรพยายามปัตนี้พระองค์จะปรินิพพานแล้วทำชะไหนหนอข้าพระองค์จะพึงทำความเพียรเพื่อบรุษทำอันสูงสุดเพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทีเดียวด้วยเหตุนี้ ข้าอบพระองค์จึ schöne กออกจากมูว์อยู่แต่ผู้เดียวพระพุตธปร์ ông ทงเป่งอู拘านออก3คร� Tube ข้าดแล้วภิกษุแล้วผินประพักมาจัดกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเส także หาอะไรในเราพึ biomass ทำตนอย่างทำมาร่างภิกษุนี้การทำอยัาง reactor พี dernier คี่จ üler ว่าบู้ชาะรบนับถือเรา ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ยินดีในธรรมตึกตรองธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสธรรมไม่เสื่อมจากพระนิพพานแม้กระนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไม่ไวายจะแวดล้อมพระพุทธองค์ไปทุกโหนทุกแห่งพระศาสดาหเห็นดังนี้จึงเตือนภิกษุเหล่านั้นให้พยายามสแสวงหาวิเวกเพื่อบรุคุณธรรมที่ยังไม่ได้บรุ เพื่อทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดจินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตผู้มีจกักษุประเสริฐที่สุด มักมีองค์แปดนี่แหละเป็นไปพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมีองค์แปดนี้อันเป็นทางที่จะทำมาลให้หลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำให้ทุกฝุ่นสิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้ พวกเธอจากพ้นจากมารและบ่วงของมาร พุทธองค์ตรัสกับพระ อ, อ น, นุนว่ามาเถิด อ, อ น, นุนเราจะไปกุศลนารานครด้วยกันพระ อ, อ น, นุนรับพุทธบัญชาประกาศให้พิสุทธ์ทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วเดินดุ่มจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุศลนารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่วมปรึกษาใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระ อ, อ น, นุนปูผ้าสังขติทำเป็นสี่ชั้น อานนท์เราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอาภารก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูสังขารติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำมาดื่มพอแก้กระหายบ้างพระเจ้าข้าเกวนไปจียนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านลำน้ำไปสักครู่นี่เองน้ำยังขุนอยู่ไม่ควรที่พระองค์จะดื่มขอเสด็จไปดื่มน้ำแม่น้ำกะกุฏานาทีเถิดมีน้ำใสจืดสนิทเย็นดี พระเจ้าข้าอย่าเลยอนอนท์พระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงบอลอย่าคอยถึงแม่น้ำกับกุฏานาทีเลยเรากระหายเหลือเกินร่างกายเล่าร้ารอนคอแห้งปากเธอจงรีบไปนำน้ำมาเทิดพระอนอนท์รับพุทธบัญชาแล้วถือบาดของพระตถาคตเจ้าไปท่านมีอาการเศร้าซึมและพิจกกังวลเหมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำ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 พระพุทธองค์ทรงดื่มได้ความกระหายพระอ น, นุลมองดูได้ความชื่นชมในพุทธบา ร, รมีแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าอศาศ จ, จริงสิ่งที่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มีและปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้บารมีธรรมเป็นสิ่งที่น่าสังสมแท้ก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปวาวา ประทับนะสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรในช่างทองนายจุนทะทูลอารัธนารับพระตาหารณบ้านของตนและจัดแจงขาธิยะโพชนิยาหานอย่างประนีดรุ่งขึ้นได้เวลาแล้วอารัธนาพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดทัศนาการเห็นสุกรามัทธวัคอาหารชนิดหนึ่งซึ่งลอยยากจึงรับสั่งให้ถวายแก่พระองค์แต่ผู้เดียว มิให้ถวายแกพิสูรรูปอื่นเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสียดูเถิดพระมาหากรุณาแห่งพระองค์มีถึงปานีสำหรับพระองค์นั้นมิได้ห่วงใยในชีวิตแล้วเพราะถึงอย่างไรเสียก็จะต้องนิพพานในคืนวันนี้แน่นอนทรงเป็นห่วงพิสุสาวกว่าจะลำบากถ้าช้านอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้นประหนึ่งมารดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ในบุตรของตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรทิดาลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบากอ น, นั้นเสียเองสุขธรรมวะให้ผลในทันทีอาการประชวนของพระพุทธองค์ซุดหนักลงอย่างหน้าวิตกมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานคอนพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะ หลายครั้งก่อนจะถึงกุสิณาราราชธานีแห่งมรรคสัตว์ในใต้ร่มพฤกษาแห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมรรคสัตว์นามว่าปุ ก, กุสสะเคยเป็นสิทธิของอาราละดาบุตรกาลามะโครโณเดินทางจากกุสิณาราเพื่อไปยังประวารวนนครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมผ้ากู้หนึ่ง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 ก็ช่างผุดพองงดงามเกินเปรียบท่านได้เห็นดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ผุดพองยิ่งนัก、mm hmm. เกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเ ป, งเปล่งปลั่งมีรมัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์มีพระชนมายุถึงแปดสิบแล้วอยู่ในวัยชราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอม อันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงประชวนหนักมีอาการแห่งผู้มีโรคเปียกเบียนแต่เหตุชะไหนยผิวพันธ์ของพระองค์จึงปวดผ่ดพองเยี่ยงนัก ของประพุทธเจ้าเป็น ajud อย่างนี้คือคราวจะตัดสรูคราวหนึ่งและกอนที่จะพรินิพาร์อีกคราวหนึ่งผีวพัน controlled audible 의ษาคตยอมปรากฐกษ์อ fitted med ระดุษล์รัษมีแท่งษ uryurya เมื่อแรกกระตัดอารุณ tempted to directly และจวนจะอสดงดูก่อนอน ут ในยามสุดท้ายอย่งราง olis ahtri, ถ้าค ต, จะตูปรินิพารณ์ในระหว่างต่นสาระทงคซงโนมก มีดอกเป็นช่อชั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเสด็จนำพระอ น, นุนไปสู่ฝั่งน้ำกากุทานทีเสด็จลงสงเสริญสำราญตามพุทธอัติยาสายแล้วเสด็จขึ้นจากกากุทานทีไปประทับณอัมพวันรับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสาลีบุตรปูลาดสังขารติเป็นสี่ชั้นแล้วบรรทมสีหสายยาคือตะแคงขวา เอาพระหัตทรองรับพระเศียรช้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสามประชัญญาตั้งพระไถว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้าขณะนั้นเองความปริวิตรตกถึงนายจุนทะผู้ถวายสุกรัมัทวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระอนุนว่าอา น, นุนเมื่อเราปรินิพพานแล้วอาจจะมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษ จนเป็นเหตุให้เราปรินิภาณหรือมีฉะนั้นจุนท่าคอาจจะเกิดวิปฏิสารเตือดร้อนใจไปเองว่าเพราะสเสวยสุก ร, รมัฒวะอันตนถวายแล้วพระตับถาคตจึงปรินิภาณดูก่อนออนนวินทบาททานมีอนิสงมากมีผลภายสารมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายก่อนจะตัดสรู้ครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกสวยอาหารของนางสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเล ส, สนิพพานคือการดับกิเลสครั้งหลังนี้สวยอาหารของจุนทะบุตรช่างทองแล้วเราก็ปรินิพพานด้วยขันธนิพพานคือดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึ่งตำหนิ จ, จุนทะเธอพึ่งกล่าวให้เข้าใจตามนี้ และท่าจุนทะจะเดือดร้อนใจเธอพึ่งกล่าวปลอบให้เขาคลายวิตกกังวลเรื่องนี้อาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเราครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอ น, นุลเป็นปัจฉาสมณะและมีภิกษุโสงฆ์มูใหญ่เป็นบริบาลเสด็จข้าแม่น้ำฮิรัญยาวดีถึงกรุงกุสิณาราสเสด็จเข้าสู่สารวโนเทญานคืออุทยานซึ่งคลุบสะพังใน ต, ต้นศาลา รับสั่งให้พระอ น, นุลจัดแท่นบรรทมระหว่างต้นสาละซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากันให้หันพระเศียรทางทิศอุดรครั้งนั้นมีบุคคลเป็นอันมากจากทิศ ต, ต่างๆเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสุรีระเป็นปชิมการแผ่เป็นปริมนทนกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมปนาทรงเห็นเหตุนี้จึงตรัสกับพระอ น, นุลเป็นเชิงปลาโลบว่า อาณุ น, นพุทธบริษัททั้ง4สี่คือพุทธิภิกษุพุทธิภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำสการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสการะทั้งหลายอันเป็นอาหมิตรเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาสถานคตดด้วยบูชาอันยิ่งไหม่อาณุ น, อ น, อนเออยู่ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม คุณนั้นแลชื่อว่า� kara Israeli god Haonlegi ด้วยการบุชาันยัตรเยี่ยมพระอนน์ถูนว่าค่าพระองค์ผูดเจริญเมื่อก่อนนี้ออกพร้งษาแล้วพริกษุทั้งหลายต aire ก็พากเงินทางมาจากที่สานุทิทย์เพื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาสจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะปรินิภานะเสร็จแล้วพริกษุทั้งหลายจะพึ่งไปหน้าที่ใดอานน สถานที่อันเป็นเหตุให้เรารึกถึงเราก็มีอยู่คือสถาน ท, ที่เราประสูตรแล้วคือลุมพินีวันสถานสถาน ท, ที่เราตั้งอนาจากแข็งทำขึ้นไปครั้งแรกคืออีศิปป๊กประต Kivol มิกธ πα ยะ Scale เควงพารานศีสถานที่ทเราตรสรุออนุตรส Being of Aunth unusual raised by dogs บรรุความรู้อันประเสริศ thrive two rest ทำกีแลตให้ชิ้นไป คือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมและสถานที่ที่เราจะบริณิพานนับบัดนี้คือป่าไม้สาระนาณนครกุสินาราอโนอนเอย๋ยสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานิยสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยบาดแห่งเราข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในพรหมจรรย์นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะต่างๆเป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระตนะไตรบ้างภพิสุจะพึงปฏิบัติต่อสตรียอย่างไรพระเจ้าข้าอานนท์การที่พิสุไม่ดูไม่แล่สตรีเพศนั้นเลยเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นเราพระเจ้าข้า ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข้าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาก็จงมีสติไวควบคุมสติให้ดีสำรวมอินทรีย์และกายวาจาใจให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำทิฐใจได้อ น, นุนเล่ากล่าวว่า สตรีที่บุรุษเอาใจเขา้าไปเกี่ยวเกาะนั้นเป็นมนตินของพรหมจรรย์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจไปเกี่ยวกเกาะเล่าพระเจ้าข่าจะเป็นมนตินของพรหมจรรย์หรือไม่ไม่เป็นเสีย อ, อันนนเธอระลึกได้อยู่หรือเราเคยพูดไว้ว่าอารมณ์อันวิจิตสิ่งสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะความนำดิตรหักเล่าเป็นกามของคน เมื่อกระชาก ค, ความพอใจออกเสียได้แล้วสิ่งวิจิตและรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่างเกอร์เกอร์ทำพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคบรรธมสงบนิ่งพระอ น, นุลก็พลอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนว่าท่านจะต ร, กตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้จริงทีเดียวการไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีเสลยนั้นเป็นการดีมาก แต่ใครเล่าจะทำได้อย่างนั้นผู้ใดมีใจไม่หวั่นไหวด้วยความเบ่งบานของดอกไม้งามดนตรีและการเยื้องกลายแห่งสตรีสาวผู้นั้นถ้าไม่ใช่นักพรตก็เป็นสัตว์ดิลฉานแต่ดูเหมือนผู้ที่เป็นนักพรตทั้งกายและใจนั้นมีน้อยเหลือเกินเมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องดูต้องแลเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องก็ติดตามมาเกิดขึ้น การติดต่อเกี่ยวข้องและการคุกคลีด้วยสตรีเพศนั้นใครเล่าจะหักห้ามใจมิให้วันไหวไปตามความอ่อนช้อยนิ่มนวลและอ่อนหวานของเธอมีคำกล่าวไว้ว่าความงามนั้นเป็นอำนาจที่คุกคามจิตใจของปุถุชนให้แพ้ราบและการยิมนั้นคือคมดาบของเธอเมื่อใดพบความงามถ้าความงามนั้นยังไม่ยิม ก็ยังมีทางที่จะรอดไปได้แต่เมื่อความงามนั้นยิ้มออกมาย้อมหมายถึงเธอทรงคมดาบออกมาแล้วและยังมีคำกล่าวอีกว่าเมื่อสตรีงามยิ้มย่องหมายถึงถุงเงินของผู้ชายร้องไห้ทำไมนะสัตว์โลกถึ ง, ลงหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสได้จริงจริงสตรีที่แพร่สเสน่ห์แต่ไรมโนธรรมจิตใจโศกโกลกจึงเป็นเพชรข้าดมือนุ่ม ซึ่งมียิ้มและกิลยาเลยยวนเป็นคมดาบมีน้ำตาเป็นหลุ μnh พลางสำหรับให้ชายตกลงไปในหลุ μHоме มน้ำตานนบ้างทีเธอจะมีความสุข่าระเริ่งเหมือนนกน้อยในขณะที่หัวใจของชายที่เธอเคยปลองร้าวสลายลงได้วยความผิดหวังบ้างทีเธอจะทำเป็นโหลดชายที่เธอแสนจะห ล, ลักเพียงเพื่อพลางสายตาของคนอื่น บ้างทีเธอจะยิ้มอย่างอ่อนหวานในขณะที่ในความรู้สึกของเธอนั่นแสนจะเคียดแค้นและชิงชังและบ้างทีจะร้องให้น้ำตาอาปแก้มในขณะที่ใจของเธออิ้มเอาบไปด้วยปีติประโมธจะเอาอะไร하나ว่ามาวัดความลึกแห่งพวกใจของสตรีมีคำกล่าว่าอาการของสตรีนั้นดูยากเข้าใจยาก เหมือนการไปของปลาในน้ำปลาดผู้ทรงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึ้งสามารถอยัางรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรเหมือนมองเศษกระดาษบนฝ่ามือแต่ปลาดเช่นนั้นจะกล้าอวดอ้างได้หรือว่าตนสามารถอยัางรู้ความลึกลำในหัวใจของสตรีธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนั้นเองมาหาสมุทรเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่มาหาสมุทรก็มีกุญแจโลกมีใช่หน่อย การคุ้นหาความจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้ น, น, นแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตั้งหากเล่าเป็นทางดำเนินของผู้มีปัญญา ความเงียบสงบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระอนุนก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสตรีระอย่างไรพระเจ้าข้าอย่าเลย อ, น, อนุนเธออย่า ก, กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของเธอก็คือคุ้มครองตนด้วยดีจงพยายามทำความเพียรเผาบาปให้เล่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเถิด สำหรับเรื่องสรีระของเรานั้นเป็นหน้าที่ของเครือขัดที่จะพึงทำกันกษัตริย์พราหมณ์และขหกบดีเป็นจำนวนมากที่เลื่อมสายตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงจะทำกันเองเรียบร้อยพระเจ้าข้าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเครือขัดก็จริงอยู่แต่เขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกว่าอย่างไรพระเจ้าข้าอานนท์ ชนทั้งหลายเมื่อจะปฤิบัติต่อพระสรีระแห่งพระเจ้าจักกภัตธอย่างไรก็พึงปฤิบัติต่อสรีระแห่งตทาคตอยุ ותר leaving everything is Yoktani ทำอย่างไรพระเจ้าค่ะอานอนตร์คือย่างนี้เขาจะพันศรีระแห่งพระเจ้าจักกภัติต้องเป็นหน่อยเป็นหน่าด้วยพระใหม่แลวสันข์ทุกคนท Mobiliera odcicas จักกภัตร pin ทำอย่างนี้ขึ้น五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 และเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลและนานแ ล, แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงถูปราระหะบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอัติวัยในสถูปเพื่อเป็นที่สการะบูชาของมหาชนไวัยสีจ่จำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจากพักรพรรดิ ตรัสแล้วทรงบรรทมนิ่งอยู่พระอานนท์ถอยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารมือจับปลิ้มสลักนิ่งอยู่น้ำตาไหลายพลากจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชารานับได้แปดสิบเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาค อุปสมบทมานานถึงสี่สิบสี่พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมชั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคลผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ถ้าไม่มีเรื่องสะเทือนใจอย่างรุนแรงแล้วคงจะไม่เศร้าโศกปริเทวนาการถึงขนาดนี้ท่านเซิอกสะเอือนจนสันเทิมไปทั้งองค์บางคราว จะมองเห็นพาสีเหลืองหมดที่กลุ่มกายสั่นไหนๆตามแรงสั่นแห่งรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกเศถือนใจและวาเวยอย่างยิ่งเป็นเวลา น, านานเหลือเกินที่ท่านและ الف ระาษฎสดาได้ทำประโยชน์ releg cuerpo เผื้อเฟอติบกันและกันการจากไปของประผู้มีประผ้ ards จึงเป็นเสมือนการกระชากดวงใจของท่านให้หลุดกรอยออกไป องผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงครวนคล้าออกมากับเสียงสะเอื้นตั้งแต่นี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุดท่วงมหานลบมาด่วนจากข้าพระองค์ทั้งทั้งที่ทข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดเดินหัดก้าวได้บัง พี่เลี้ยงก็มีอันพลัดพลากจากไปข้าประองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระออนนต์ข้ามครวนอย่างหน้าสงสาร เมื่อพระอ น, นุนหายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอ น, นุนหายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูวิหารพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอ น, นุนมนีศิษย์พระอ น, นุนเข้าสู่ที่เฝ้าโดยใบยหน้าที่ชุ่มด้วยน้ำตาพระศาสดาตรัสปลอบว่าอ น, นุนอย่าคลัคล่งครวญนักเลยเราเคยบอกไว้ว่า ทุกคนยอ่มตกพลัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นภรรมดาในโลกนี้และในโลก lynn Coast 各ก็ตามไม่มีอะไรที่ยังยืนถาวรเลยสิ่งที่มีการเกิดก็ยอมมีการหัวบ ją รถสุดไม่มีอะไรยับยังต่านทานไว้概่นข้าแต่ประผู้มีประภาคุ่ retail facility ผู้เป็นประดุต์ดวงตะวัรรข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่ประองค์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 ข้าพระองค์คงอยู่อย่างว้าเวละเดียวไดายเมื่อคำหนึ่งอย่างนี้ก็สุดจะหักห้ามความโศกคำสดได้อานอนท์เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้ที่มีบุญได้ทำไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยคิดอันใดที่ควรทำแกะทศกัณฐ์เธอได้ทำคิดนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวัชีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยความเมตตาอย่างยอดเยี่ยม จงประกอบความเพียนเรเถิดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอร Hath ผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาสัสยิดที่ใกล้แล้วทรงส่งสรรเสริญพระอ น, นุนโดยอเนกขปรยัยเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอ น, นุนเป็นมดิบเป็นผู้ที่รับรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระอรหันต์ตสำมาสพพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคต ซึ่งมีภิกษุผู้อุปถาคนนั้นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอนุนอนุนเป็ น, นผู้ดำเนินคิดด้วยปัญญารู้การที่ควรและการไม่ควรรู้การที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มาเฝ้าว่าการนี้สำหรับกษัตริย์การนี้สำหรับราชามหาอมาตย์การนี้สำหรับคนทั่วไปควรได้รับการยกย่องนาน า, น า, นานประการมีคุณธรรมหน่าอัศจรรย์ ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยสนทนาก็อยากเห็นอยากสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของอนุนเมื่อฟังก็มีจิตใจเพลดิดเพลินยินดีในธรรมที่อนุนแสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรสปิสุทั้งหลายอนุนเป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่งพระอนุนผู้มีความห่วงใยในพระศ า, าสดาไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่า พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นประดุจพระเจ้าจากภักรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปณานาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นทรงเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่าราชาใดๆในพื้นผิวนี้ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพานในเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆเช่น ร, ราชคลึกสาวัตถีจำปา สาเกตโกสัมพีพารานสีเป็นต้นเถิดพระเจ้าข้าในมหานครเหล่านั้นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีขะหะปีและทวยนาครทุกชั้นที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทำมหาสการะแดสรีระแห่งพระองค์เป็นมโหฬาราควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมมะบรุษรัตในโลกอาณน์ เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้นไตรเกตติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอ น, อนเอุเฉยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในปานามว่าลุมพินี เมื่อตัดซรุอ ам นุตรสัมมาสำ김โฮทิยาณเรา登録อำลวุในป่ า, ตาอิรเลาเสิยาท่าน์วาเซนา wn Appa วิธิอร์สิบ ורה เมือนาพยาวถุบปแษศ์ ад มี federal สักดา Fengitalen ขวงเมืองราจ ค, ลารครุมหานครเมือก grasses ตั้ง급 њ าลขนาโยชค์และ Mommy ถ besides nuclear Chopra Después 踏ังโร ง, ลงแล้ว יסول ิปัฒนะวัา pug końca a �า funny Colonel しい sales of Jesus 닷งจริงพราณศรรมิกยวมารถ สะนั้นหนึ่งกูศินารานี่แม้บัตรนี่จะเป็นเมืองน้อยแต่ว่าในโบราณละการกูศินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทัพย์ของพระเจ้าจักรพัทศณามว่ามหาสุทธ attends นะนักกรคนนี่เคยชื่อกูศาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งครั่งมีคนมากมีมนุษณีกรเกินกลลนพลั่งพร้อมได้ทัญญาหาร มีโรแมนดียสถานที่บันเทิงประดุจราชธานีแห่งทิพยานครกุซาวดีราชธานีนั้นเกิดกล้องนฤนาททั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงโคชสารเสียงพาชีเสียงเพรีไหลรถเสียงตะโพนเสียงผินเสียงขับร้องเสียงกลางสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชน เรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จกักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราทิปดีในปฏิพีมณฑนทรงชำนาญปัจจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทานและสาตราชนบทสงบราบคาปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากลิมสลัก เป็นหน้าคอนที่เรื่อนลมเย็น oons มเป็นวาชธานีแห่งพระเจ้าเจาก้าเพิราะพัตธย์ warned II О และบ layered on y atra seventh or Ergebnis of theology อิเมรย์างหนมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวสรทจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยังยืนมุ่งไปสู่จุดส ى หลายตัวอโนอนจุกรู้เธอร์ดพระเจ้าเจากพ้าผู้ปกล terrorist Heath มาหาสุทธะกิส ก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองคูสิกนาราประชาชนชาวคูสาวาดีก็ตายกันไปนหมดแล้วนี่แหละไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีอะไรอยั่งยืนตถาคตเองก็จะปรินิพานในไมชานี้แล้วพระาศาสดาก็รับสั่งให้พระอ น, นุนไปแจ้งข่าวปรินิพานแก่มรรคสัตว์ว่าเพราะตถาคตเจ้าจะปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรี เ ม, มืนล่อมารกษัตริย์ผู้ครองละครคุสินาราสะดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกรรมสดโศกาดูนทุกโทรมานัตทัพทวีสยายพระเกศายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคลำครวญล้มกลิ้งเกลือกประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรลำพันถึงพระโลกนาฏว่าพระโลกนาฏด่วนปรินิพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุษสุริยาซึ่งให้แสงสว่าง ดับพูบลงด้วยอาการโศกาดูนดังนี้มันและกษัตริย์ได้ตามพระอานนท์ไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาณสารวโนทยานพระอานนท์จัดให้เฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันท า, ารคืนนั้นมันและกษัตริย์ประชุมกันอยู่จนสว่างวิเด บ, บันทมเลย ลมเย็นพัดผ่านมาเป็นคลางคล้าวรอบรอบอุทยานสารวัลเปียกชุ่มไปได้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดที่จะประมาณเข่าหลังน้ำตาออกมาด้วยความรักและความละทิฐใจพระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะโผล่ขึ้นเหนือเถีเท่ยวไม้ทางทิศ ต, ตะวันออกสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสารวัลทั่วบริเวณมณฑล ต้องใบาสาละซึ่งไหวน้อยๆดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลบที่เกินไปที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาสองซึ่งเหมือนจะจงใจบูชาพระสรีระแห่งพระชอมสาสด า, ศานิ่งเงียบสงบวางเวงใจได้ยินอยู่บ้างก็เสียงสะอึกสะอื้นและทอดหายใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงท่ถามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวช เพศปริพาโชคคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอเฝ้าพระศาษษษสดาพระอนนท์ได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับและขอวิงวอนว่าอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอนน์ปริพาโชคผู้นั้นกล่าวข้าพระเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการ ขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุพัทธ์พระปริพาชกอย่าเลยสุพัทธ์ท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงระบาดพระวรากายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวนหนักจะบริณิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอ น, นุนโอกาสของข้าพเจ้านั้นเหลือน้อยเหลือเกิน ขอท่านอาศัยความเอนดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระศาสดาเถิดพระอนุ น, นคงทัดทานอย่างเดิมและสุพัทธะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมย่อดท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาพระศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอ น, นุนว่าอ น, อนุนให้สุพัทธะเข้ามาหาเราเถิด เพียงเท่านี้สุพัทธะปริพาชกก็ได้เฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์นามว่าสุพัทธ์ถือเพศเป็นปริพาชกมาไม่นานได้ยินกิติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าใหม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ขอประธานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ ทูนถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังถามเธอสุพัฒธะรัศาสาดาหัตรัศพระองค์ผู้เจริญขนาจารย์ทั้งหกคืออุรณกศปะมัคลิโคสาระอาชิตะเกสกรรมพลปกุธธากัจายนาสันชัยเวรัฐบุทธและนิครนหน้าฐบุทธเป็นาศาสาดาจารทิที่มีคนนับถือมาก สาษดาเหล่านี่เป็นอระหันหมด اي เลชหรือประกาณใดเรื่องนี้หรือสุพัฒท Oritwan Rd. ที่เธอดินรณควนขวายพยายามที่จะมาหาเราอย่างจิ่งยวดพระ upsasadarats utrazt ย, ยังทรงหลับพระ itié อยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข้าพระอ eger นร์รู้สึกละวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุพัฒท friends ร spark strongly นั่น เป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินขณะที่พระอ น, นุนจะเชิญสุพัทธะออกจากที่เฝ้านั่นเองพระศาสดาก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจในเรื่องนั้นเลยสุพัทธะเวลาของเราและของเธอเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิดข้าจะท่านสมะัมนาถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่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 สุพัท ธ, ธ์ทูดแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุพัท ธ, ธ์แล้วจึงตรัสตอบไปว่าสุพัท ธ, ธา์ถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยยอ่อดูก่อนสุพัท ธ, ธา์อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการเป็นทางประเสริฐที่สามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็เตมที่ เป็นทางเดินไปสู่อมะตะดูก่อนสุพัทธะท่าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึ่งอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบได้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากเพราะอารหันต์สุพัทธะฟังพระพุทธดำหรดนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อน ถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดทิยาปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนพิสูจน์ทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสี่เดือนก่อนจึงจะบนปรรพชาอุปสมบทได้สุภาธาัตทะทูลว่าเขาพอใจจะอยู่บำรงปฏิบัติพิสูจน์ทั้งหลายสักสี่เดือนพระสาศาสดาทรงเห็นความตั้งใจายจริงของสุภัตทะดังนั้นจึงรับสั่งให้พระ อ, อนุน นำสุพัท ธ, ธะไปบรรพชาอุปสมบทพระ อ, อ น, นุนรับพุทธบรรพชาแล้วนำสุพัท ธ, ธะไปนาส่วนหนึ่งปลงผมระหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสถานคลมและศีลสำเร็จเป็นสมณเณรแล้วนำมาเฝ้าพระาศาสดาพระผู้ทรงพระมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุพัท ธ, ธะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัส บ, บอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่ง ผู้พธัฒนาพิสูจน์ใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุอรหัตผลในคืนนี้ก่อนที่พระสาศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวัล น, นั้น จงกลมนั่นคือการเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้ดุจร่วงบัดนี้ร่างกายของสุภะพิสุขห่อหุ้มด้วยการสาวะพัฒน์เมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัติมัมยามแห่งราตรีชวนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตก แล้วสุภัทธาภิกษุตั้งใจอย่างแนวแนว่ว่าจะปําเพ็นเพียนคืนนี้ตรอดลาตรีเพื่อบูชาพระสาศสดาพูดจะนิดผ่านในปลายพัชิมยามดังนั้นแม้จะเน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ยอมยอดทอแสงชัด น, นวนผ่องสุขสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับแสงลงสุภัทธาภิกษุแ ง, งนขึ้นดูท้องฟ้า เมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนขบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมบสอดส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็โผล่ พ, รงพรุ่งขึ้นในดวงใจของสุภาธาัทภิปิสุเพราะนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์จิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันทร์เจ้า แต่ว่าจิตอาศัยกิเลส ท, ที่จรมาเป็นคลางคล้าวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบทบางดวงจันทร์ให้อับแสงแ ล, ะแล้ววิปัสนาปัญญาก็โผล่ขึ้นช้ำแรกกิเลสแทงทะลุ ป, ป่าประทมทงมวนที่ห่อหุ้มดวงจิตแหวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุลตาข่ายด้วยสาตราคือวิปัสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสสาสะวะทมวน บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศ า, ศาสดาแล้วนิ่งอยู่สุภัททะภิกษุปชิมมะสาวกอรหรผันปูนีชื่อพร้อมกับสุภัททะอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุปการมีประวัติเกี่ยวเนื่องโดยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้ นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะโปรดปัญจวัคคีย์ในอิสิปตนมิกทายะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชีวกผู้หนึ่งนามว่าอุประการผู้อยู่ในไวัยค่อนข้างชาราแล้วเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะ ผิวพรรณของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบหน้าเรืม่มใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นาศาสตราของท่านสาหัสหยพระาศาสตราตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกองกรรมแห่งสังสารจักรอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วในตนเองเพื่อเป็นชนี จะพึงอ้างใครเล่า ว, ว่าเป็นศาสตราอาจีวงศ์ได้ฟังดังนั้นนึกดูหมินอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้โอหังเหลือเกินลบลูกคุณของศาสตราตนน่าจะลองถามชื่อดูเผื่อว่าจะมีคณะอาจารย์เจ้าระทิให ญ, ใหญ่จะจำได้บางว่าเคยเป็นสิทธิ์ของตนคิดดังดีแล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือ คนที่จะรู้อะไรอะไรได้เองโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่ก็ช่างเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้รักดอกข้าพเจ้าปรารถนาจะทราบนามของท่านเพื่อว่าพบกันอีกในคราวหน้าก็าจะได้ทักทายกันพระสกยากยมุนีผู้มีอนาคตกัจจายนทราบเหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตจึงตรัสตอบว่า เสียหายเรามีนามว่าอนันตชินท่านจำไว้เถิดอนันตชินชื่อแปลกดีเนี่ยแล้วอุปการชีวกก็เดินเลยไปพระาศาสดาก็เสด็จบายพระพักไปสู่พารานสีอุปการเดินทางไปถึงหมู่บ้านซึ่งพลาเนื้ออาศัยอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านนั้นตอนเช้าเขาก็าไปพิกาจารณาในหมู่บ้านพลาเนื้อนั้น หัวหน้าพลานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอารัธนาให้มารับปริกษาที่บ้านของตนทุกๆเช้าอุปการรับอารัธนาด้วยความย ด, ดีแต่ซ่อนความรู้สึกไว้ภายในตามวิสายแห่งนักบวชผู้ยังมีความละอายอยู่ต่อมาไม่นานในพลานเนื้อจำเป็นจะต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อละเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสุชาวดีลูกรัก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 อุปกะก็มารับพ Bond ตามโปรกติสุชาวดีเชื้อเชิญให้ไท่นั่งบนเรือนและถวายภิกษาอนปนะนีเสนทนาด้วยอาการยิ่มแย้มเจ้งใสอุปกะเห็นอาการขอ ง, นางดางนั้นหินดียิ่งนักนึกในใจว่าแค่はい zombi ถา้าอยิ่มแย้ม определ ิน심ายใจมีใจอารี่มีความยินดีที่จะ weigh เจ้มส น, ทนาเปล repeats หล้งว้าจ้าไพรร่อม เป็นเครื่องหมายของผู้ต่างใจครบส่วนผู้ที่มีหน้าตาจืดบึงมัยยิ้มแยมลืมความห Copy มีกิร pan อันหนั่นชัง่งเอาความเสียหายเป็นนทิดภาเวลาสุนธนา siz Rachobot ان ติดวงโร vid P knapp Strateg กเหลานี้เพรื่องหมาพดใหยของผู้มิชัยมิตรเป็นเครื่องหมายของผู้มิชัยมิตร สุชาวดีงามอย่างสาวบ้านป่าผมดกดำในตากลมโตใบหน้าอิ่มเ อ, อิบมีเลือดฝาดมองเห็นชัดที่ผัวงแกลมอุปการะมองดูเธอด้วยความรู้สึกกระวนกระวายแม่อายุจะเย็ยบย่างเข้าสู่ไวัยชาราแต่ก็ยังตัดอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้สุชาวดีอยู่ในไวัยสาวและสวยสดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีมแมลงตัวใดมากล้ามกลายนางสังเกตเห็นอาการของอุปการะ ก็พอจะล่วงรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักรถไห่ฉลาแต่ด้วยมันญาติแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนับถือนางจึงคงสนทนาพาธีอย่างละบุญ ล, ละไมายตามแบบอย่างของเธอจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักไดรวดเร็วแม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักและสนใจเธอ แม้สุชาวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่เล่ห์แห่งโลกีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสัตว์ที่พอจะเข้าใจได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาจากกามรรมคุณจึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกรรมคุณและจิตใจก็คอยดิ้นรนที่จะลงไปคุกเข่ากับกรรมคุนนั้นเหมือนวานอนเกิดในป่าและปลาเกิดในน้ำก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าป่าและกระโดดลงน้ำอยู่เสมอสตรีเปรียบเสมือนน้ำมัน บุรุษเล่าอุปมาก็เหมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเลียมิได้ในวันที่สองและวันที่สามอุปะกะคงมารับพิการที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็เป็นไปตาม น, นั้นสุชาวดีเธอเพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับบ้านวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบ ก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้นโด้วยความขุ่ยอายธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกินเจ็ดวันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปการถามเพ่งมองสุชาวดีอย่างไม่กระพริบตาคิดถึงคุณพ่อของเธอมีบุญมากเรื่องอะไรพระขุนเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อย นามทั้งกายวาจาและใจสูผ้าพเรียบร้อยอยู่ในโอวาดของบิดาสุชาวดีก้มหน้านิ่งเอานิ้วขีดไปขีดมาอยู่กับพื้นที่ชานเรือนแล้วก็สุชาวดีก็สวยด้วยสวยเหมือนกล้วยไม้ในพวงไพสุชาวดีอ้าปากค้าครงไม่นึกว่านักพรตวัยสี่สิบห้าจะพูดกับเธอซึ่งเป็นคนรุ่มลาวคล้าลูกด้วยไทยคำอย่างนี้ จริงๆนะสุชาวดีฉันท่องเที่ยวไปแทบจะทุกคนทุกแห่งในชมภตรพูทวีปก็ยังไม่เคยพบใครที่สวยเหมือนเธอเลยพูดเท่านั้นแล้วอุปการก็ลากลับเขาจากไปด้วยความอะไรสุชาวดีมองอุปการด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูกทั้งขำทั้งขันสังเวชก็สังเวชแต่ความรู้สึกภูมิใจซึ่งซ่อนอยู่อย่างมิดชิดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ เมื่ออุปกระเสริฐเขตรั้วบ้านไปแล้วนางก็วิ่งเข้าห้องนอนยิบกระจกสองหน้ามาส่องดูเออเราสวยจริงสินะนางเปลยกับตัวเองพลางสำรวจไปทั่วสบพางอย่างนี้เองผู้หญิงผู้หญิงก็คงเป็นผู้หญิงอยู่อย่างนั้นเองไม่ว่ามหาราชินีหรือคนหักเฟื่องขายเมื่อถูกชมว่าสวยก็จะอดปริงโรดไม่ได้